วันเสาร์หลวงพ่อไปเศทศ ท, ที่บ้านเป็นสองคนเนี่ยอยู่ลำพูนมันไปเทศมีข่าวหลวงพ่อคำเขียนสิน้นตายได้สวยนะไม่เสียแรงฝึกมีความสุขตอนพูะพุทธเจ้าปรินิพพานคนก็มองว่านิพพานแล้ว พระนุรุตเนี่ยท่านตามดูท่านบออตอนนี้เข้านิโรธสมบัติอยู่เหมือนตายออกจากนิโรธแล้วก็ถึงนิพานไม่นิพานในนิโรธสมบัติหลงปูดุลเทศสอนเป็นลีลาการปรินิพานทำไมต้องไปเข้านิโรธก่อน หลวงปู่ให้เหตุผลบอกว่าเข้าไปคลยๆเข้าไปดูเล่นนะ่ะถึงสิ่งที่สร้างมาทำมาไปดูแล้วก็ไม่ติดอะไรก็ทิ้งเงินสายตาอย่างคนทั่วๆไปนะไปมองพระที่ท่านพอนาเก่งๆนะมองยากนะว่าตายยังดีไม่ตายปุ๊บเลยยกไปเผาเลยนะ แย่เลยสนุกนะภาวนานแล้วก็ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจจิตที่สู้กิเลสได้นะโอ้มีความสุขเยอะแต่ยุคเราที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีใครที่จะมีสิทธิไปรับรอง ใครบรรลุพระอรหรันต์บรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ต้องดูเอาเองแต่อย่าเชื่อพวกเราเชื่อง่ายไปชอบตั้งตั้งพระเป็นพระอรหรันตั้งคนโ น, โน้นตั้งคนนี้นะตั้งกระทั่งคารวาส ด, ด้วยกันเป็นพระอรหันต์มีมากนะพวกพระไปลำพูน มีบางคนไปเรียนจากบางที่ไปเรียนไม่กี่วันได้รับพยากรแล้วได้โสดาสกทาคาถือศีลแวันสองวันเอาได้อนาคาไปอีกละมันเร็วมากเลยได้ง่ายก็หายง่ายคือถ้าไม่ผ่านกระบวนการของมิปัสสนากรรมฐานนะมันไปไม่รอดหรอก ไปด้วยอำนาจของสมาธิเฉยๆมันเหมือนล้างกิเลสได้แต่มันล้างไม่ได้จริงอย่างบางครั้งเราทำความสงบมาใจมันสบายมันเห็นในร่างกายเป็นตวทุกขนะ์หาสาระไม่ได้มันไม่เอากายไม่เอาช่วคราวหรือมันไม่เอากามมันไม่เอาช่วคราวเพราะว่าตอนนั้นมันสงชนันจิตมันคล้ายๆได้เสพ ของที่อร่อยกว่ามันก็ทิ้งของแม่อร่อยไปเนี๋ยพอของอร่อยไม่มีกินแล้เสื่อมจากสมาธิก็กลับไปกินของแม่อร่อยของอร่อยหมดละก็ไปกินของแม่อร่อยใหม่เงินถ้าพวกเราได้ยินใครเขาบอกนะที่นี่มีพระอริยะเยยะเลยเท่านอนเท่านี้นะไปสองวันสามวันก็ได้แนละ้ว <c oughs> ควรจะทำยังไง ไม่คัดค้านไม่ปฏิเสธผู้เจ้าสอนอย่างนี้นะไม่คัดค้านไม่ปฏิเสธค่อยๆดูไปเป็นไปไม่ได้หรอกกิเลสมันตั้งเท่าไหร่ของพวกเรามาพอนาเราเห็นไหมกิเลสมันตั้งหลายชั้นจะมานึก น, กนกหลุดแล้ง่ายเกินสติมีหรือยังถ้สติยังไม่มีอย่ามาคุยเลยอย่าหลุดพ้นจาก ิลสได้โสดาสกตาคาอะไรอนาคาพระอรหันต์ศีลบริบูรณ์หรือยังจิตเป็นยังไงมีสมาธิระดับไหนโสดาสกตาคาเนี่ยจิตยังเคลื่อนอยู่อนาคาเนียจิตมันจะทรงเด่นแต่มันก็ยังเคลื่อนเวลาจะเข้าฌา น, นจิตก็เคลื่อนเข้าฌาน เคลื่อนได้ีกแต่ไม่เคลื่อนไปในการรมเคลื่อนไปในรูปเคลื่อนไปในอรูปเราพอนานนะเราดูจิตดูใจเราชํานาญเราเห็นของคนอื่นด้วยไปเห็นโององนี้เขาลือกันว่าเป็นพระอรหันต์ื่อกีนั่งคุยนั่งคุยอยู่นะโยมคุยเรื่องไร้สาระท่านก็พักจิตเคลื่อนพลื่ไปลงมาโลกท่านยังเกิดอีกถ้าอย่างนี้นะ ยัมีการไปมีการมาสมาธิอย่างนี้หนีจากกรรมไม่ไปหากรรมโดยอัตโนมัติแล้วแต่ว่ายังไปรูปไปอรูปอยู่หลวงพูดดูลเคยสอนจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาเวลาท่านเข้าสมาธิจิตท่านไม่เคลื่อนไปไหนไม่ไปไม่มาเคลื่อนไม่ได้จิตมันเต็มโลกธาตุจิตมันเป็นมหคัตะตแต่ไม่ใช่มหคัตะตด้วยชาน เวลาทำฌานจิตใหญ่ๆนั่นเป็นมหักระตะแต่มหากระตะอย่างของปุถุชนนี่เป็นนะของพระละหันไม่มีคำว่ามหักระตะแล้วล่ะเพราะว่ามันใหญ่ตลอดเลยมันไม่หดเข้ามามันเต็มโลกธาตุนี่ถ้าเราดูไม่เป็นเราคริดว่าโอ้อยางนี้ดีอย่างนี้ดีเชื่อตามๆกันชี้เหอ เชื่อข่าวหรืองั้นใครเขาบอกเขาเป็นเราก็ไม่คัดค้านแม่อนุมโมทนาเฉยเยดูก่อนไม่รับไม่ปฏิเสธสังเกตเอาอย่างสังเกตศีลเป็นยังไงถ้าดูไม่ออกนะอย่างคุยกันเนี้ยคุยกันเขาพูดถึงธรรมะที่มันพ้นกิเลสได้จริงหรือเปล่ารู้วิธีไหม บอกว่านี่พระอรหันต์นะแต่สอนที่ไรก็สอนทําสมถตาทุกทีเลยไม่ไม่รู้จักรูปนามไม่รู้จักมีปัสนาไม่รู้จักไตรลักษไม่สนใจเลยดูแต่ปฏิกูลอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ฟังก็ออกแล้วล่ะหรือบอกว่าให้รักษาจิตให้ว่างอยู่ภายในนิรันดรความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งฟังเท่านี้ก็รู้แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่ตรงไหน มันมีภายในถ้ายังมีภายในมีภายนอกเป็นจิตสองไม่ใช่จิตหนึ่งจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้มี1เท่านะั้นไม่มี2ไม่มีในไม่มีนอกแล้วถ้ายังต้องรักษายังมีงานที่ต้องทำเห็นไหมประโยคเดียวเนี้ยมันก็บอกมาหมดแล้วเพราะนพวกเราเรียนนะจับหลักให้แม่นอย่าได้ไม่โง้ ไม่ต้องไปเชื่อใครง่ายๆใครจะบรรลุอะไรไม่สำคัญเลยสังนิดเดียวสำคัญว่าเราสู้กิเลสได้สักเท่าไหร่ละเราพรน้นอำนาจกิเลสได้เท่าไหร่แล้วสู้กันตรงกิเลส น, นี่เองแล้วเวลาเราภาวนาไปนะถ้าเกิดอาการแปลกๆขึ้นมากิเลสหายไปและวให้สังเกตตัวเองอีกอย่าเชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อคนอื่นนะ ไม่เชื่อกระทั่งตัวเองด้วยเวลาเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาพอนาไปเกิดอะไรแปลกๆ ก, กับตัวเองไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธดูก่อนสังเกตให้ดีสังเก ต, เกตที่ไหนสังเกตที่กิเลสงั้นในตาราเนี่ยจะพูดถึงยานอันหนึ่งปัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่าปัจเจเบกขณาญาณเวลาที่เกิดอริยมรรยผลแล้วเนี่ยท่านต้องทวนทวนไปดูว่ากิเลสอะไรล่าแล้ว กิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสที่ละแล้วนั้นอะไรละถาวร อ, อะไรละชั่วคราวกิเลสอะไรที่ยังไม่ละมันเป็นกิเลสที่ในชั้นนั้นภูมินั้นควรจะมีหรือไม่มีอย่างบอกได้อนาคาเนี่ยนั่งระบูบไ ป, ปสามรอบได้นาคายังตะกละอยู่นี่กรรมของควรละแลอยังไม่ละไม่ใช่ อันนี้เราดูของเราเองนะไม่ต้องไปดูของคนอนะื่นใครเขาจะวิเศษวิสูงก็เฉยๆฟังไปงั้นแหละนิยายมันมากนะนิยายเยอะแยะก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อครูบาพรหมจักวัดพระบาทตักผ้าพ่อนกเก่งนะแล้วเอาพิญญาเยอะฤทธิ์เยอะเหยียบก้อนหินเนี่ยยุบลงไปเลยเป็นรอยเท้าเลย ท่านอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าคนก็สงสัยพระพุทธบาทจะมีจริงหรือมันเป็นไปได้เหรือเหยียบหินถ้านได้เหยียบทิ้งไว้หัวทางจงกรมข้างกุฏิท่านนะไม่บอกใครแล้วเหยียบโอ้เหยียบลึกไม่เป็นศอกเลยเหยียบลงไปได้ลึกมากเลยคนไปถามท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรอือท่านบอกท่านเป็นพระอรหันต์ที่หนังสือโลกจิตตั้งให้ พุทธเจ้าไมได้ตั้งไปลือกันเองแค่นี้มีงมงายนะงมงายมากเลยสำนักกรรมฐานบางที่เขาชอบตั้งเราไปเรียนนะ ก, ก็ตั้งให้เราได้โสดาสักะาคาอะไรเงี้ยเราก็ปลื้มสิปลืม่มจงรักภักดีตานนี้งโง่เลยลนะเพราะว่าถ้าไม่เชื่อเขานะเดี๋ยวไม่ได้เป็นโสดา เขเล่นกันแบบนี้นะเพราะงั้นเวลาเกิดอะไรแปลกๆนะเราสังเกตที่กิเลสของตัวเองนะแต่การจะสังเกตกิเลสออกเนี่ยจุดสําคัญเลยจิตต้องเป็นธรรมดาถ้าจิตในขณะนั้นทรงฌานอยู่ไม่มีให้ดูหรอกหรือจิตขณะนั้นติดล็อกว่างๆอยู่ข้างในหรือบางทีติดล็อกว่างๆอยู่ข้างนอกมีล็อกอยู่ทั้งข้างในข้างนอกนะ ถ้าจิตมันติดล็อกเฉยอยูนะ่ติดสมาธิอยู่จ้างก็ไม่มีกิเลสอะไรให้ดูส่วนกิเลสที่มีดูไม่เห็นความพอใจในความสงบนะมองไม่เห็นการที่จิตยังมีการเคลื่อนไหวไปมาเนะี่ยมองไม่เห็นนะจิตยังปรุงสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างนะหมุนไปแล้วก็เสพอารมณ์มองไม่เห็นเสพอารมณ์ว่างเสพอารมณ์สุขไม่เห็น มั้นเราจะวัดกิเลสได้เราต้องวัดตอนที่ใจเป็นธรรมชาติธรรมดาใจของคนปกติอย่างเนี้ยถึงจะวัดได้ถ้าอย่างนี้ไม่วัดไม่ได้เนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> วัดไม่ได้ใครมาด่าเราสามวันสามคืนเราเฉยใครมาทำอะไรเฉยเ <laughs> นี่ยต้องใช้จิตยอย่างนี้จิตธรรมดาอย่างนี้ ถ้าตื่จะดูมีองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านคิดว่าท่านบารรลุพระอรหันต์ท่านอยู่ที่พนมรุง้งสมัยโบราณนะเดินจากพนมรุ้งมาวัดบูนที่สุรินไม่ใช่ใกล้หลายสิบโลตัดป่ามาเพราะว่าท่านบารรลุพระอรหันต์เกิดนึกถึงหลวงปู่ดูลแล้วสงสารอาจารย์เดี๋ยวจะไปสอนสะหน่อย เดินไปถึงกลางคืนดึกเที่ยวทุบประตูเรียกหลวงปู่หลวงปู่ก็เฉยไม่สนใจไปเรียกพระทั่ววัดเลยนะโอนละเวงกันทั้งวัดเลยหลวงปู่ก็เลยบอกให้พระพาไปพักในโบสถ์ก่อนบอกตอนนี้คนเขากำลังง่วงฟังทําไม่ได้หรอกฟังไม่้เรื่องให้พระอรหันต์ไปพักก่อนท่านก็พยายามแก้ให้หลายวันนะแก้ไม่ตกเหนียวแน่นมากเลยว่าฉันเป็นพระอรหันต์ฉันเป็นพระอรหันต์ สุดท้ายหลวงปู่ใช้ไม้ตายออกสันรกสันตรละชานใส่หัวไปให้พน้นโอ้ยพระอรหันต์โกรธวาได้ไม้กวาดนะขึ้นผานบานึกว่ากโกรธของตัวเองนะเอาไม้กวาดของหลวงปู่เดินออกไปจากวัดเลยเดินไปสามกิโลนะแล้วนึกได้ว่ากโกรธทำไมครูบาอาจารย์ต้องย่อให้กโกรธจิตเล็กเคลื่อน จากที่ติดล็อกครูบาอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้มีเหมือนกันนะไปสามกิโลแล้วนึกขึ้นได้วันหลังกลับมาอขอขมาตั้งหลักใหม่กลับมาอขอเข้ามาแล้วผิดแล้วก็ดูกันที่กิเลสนะหรือที่วัดบรมนิวานหลวงพ่อไม่ทันท่านอะ่ะเจ้าคุณอุบาีสิศรีจันโถตรงนี้อาวุโสกว่าหลวงปูม่มันอีกแล้วแตกฉานมากนะ ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติมีพวกคุณหญิงคุณนายไปบอกท่านว่าดิฉันไม่มีความโกรธแล้วว่าอีตอแหลว <laughs> สวนเลยนะอีตอแหลโหยโกรธเลยพระเลยปากจัดเดินกระเทือบพื้นตึงต้งตึงตออกไปหน้าวัดเรานึกได้นี่คนนี้ไปสั้นนิดเดียวไปถึงหน้าวัดนึกได้กลับมาขอเข้ามาเพราอนเวลาที่เราจะวัดกิเลสเราวัดด้วยใจที่ธรรมดาอย่างขณะนี้ย แล้วค่อยดูว่ามีกิเลสหรือไม่มีอย่าให้ใจมันเป็นล็อกทรงชานนิง่งล็อกอยู่นิ่งๆนะใจตรงนั้นวัดกิเลสไม่ได้มันผิดธรรมชาติฟังซิเพราะไหมอ้าวพเลิกแล้วใครอยากหอนก็ได้นะ <laughs> หมาเนี้ยมันก็ซื่อๆนะ มันได้ยินระครังมันอยากหอนมันก็หอนนะไม่มีมารยาเนี่ยจิตจะเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยดูง่ายนะแต่หมามันไม่มีสติเท่านั้นแหละงั้นพวกเราสวมหัวใจแบบหมาไว้นะแต่เรามีสติหมาอยากกินมันก็จะกินน้ําลายยืดเลยเนีย่จิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดานี่แหละแต่คนธรรมดาทำไมไม่บรรลุมรรคผลเพราะไม่มีสติ ง้เรามีจิตที่ธรรมดานี้แนะแต่เรามีสติจิตธรรมดาเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดทางานไปเรื่อยๆรับอารมณ์ไปเรื่อยจิตมีหน้าที่รับอารมณ์นิยามของคาว่าจิตนะอะไรคือจิตนิยามของจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ด้อารมณ์คืออะไรอารมณ์ก็รูปเสียงกยลิ่นรสผลทาพะทำมารมณ์เป็นอารมณ์6กอย่าง อะไรเรียกว่าธรรมารมบ้างคือสิ่งที่รู้ด้วยใจมีอะไรบ้างที่รู้ได้ด้วยใจรูปบางอย่างรู้ด้วยใจอย่างรูปที่เคลื่อนไหวเนี่อรู้ด้วยใจลองหลับตาสิแล้วลองขยับมือรู้สึกไหมมันรู้ด้วยใจไม่ได้ดูด้วยตานามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจสมมุติบัญญัติรู้ด้วยใจคือเรื่องราวที่คิดเนี่อรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจ เพาธรรมอารมณ์เนี่ยกว้างขวางมากเลยคลุมอารมณ์ทั้งสมมติบัญญัติทั้งอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์นิพพานครอบคลุมกว้างขวางมากธรรมอารมณ์ดูด้วยใจในใจมันถึงใหญ่กว่าคนอื่นเขาตามันเห็นรูปได้อย่างเดียวเราไม่ได้รูปได้ทุกอย่างด้วยนะรูปอย่างเดียวคือสีหูก็รับรูปได้อย่างเดียวคือเสียงจมูกรับรูปได้อย่างเดียวคือกลิน่นลิ้นรับรูปได้อย่างเดียวคือรส ร่างกายรับรูปได้หลายรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเย็นร้อนธาตุไฟความร้อนความเยน็นรู้ด้วยผิวกายเนี่ยความอ่อนความแข็งที่มากระทบเนี่ยรู้ด้วยร่างกายอย่างเราเห็นที่นอนอันหนึ่งเราจะไปนั่งมองว่ามันอ่อนหรือมันแข็งมองไม่ได้หรือนั่งคิดเอาว่าอ่อนหรือแข็งไม่ได้ก็สัมผัส ด, ดู เย็นร้อนอ่อนแข็งนะตึงไหวตึงไหวคือธาตุลมเนะย็นร้อนธาตุไฟอ่อนแข็งธาตุดินนี่รู้ด้วยกายเนะนี่ยอายตนาตาหูจมูกลิ้นรู้ได้อารมณ์แด น, นเดี๋ยวกายรู้ได้สามนะที่เหลือรู้ด้วยใจนะรู้ด้ใจ ใ, ใจถึงเป็นใหญ่ ครอบค ล, บลุมพื้นที่ไปกระหมดจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ให้มันรู้ไปเมื่อรู้อารมณ์แล้วมันจะเกิดปฏิกริยาต่ออารมณ์ให้มันเกิดไปมันจะเกิดสุข ก, ก็แค่รู้ว่าสุขไม่ต้องห้ามมันจะเกิดทุกข์ก็แค่รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องห้ามให้จิตมันรับอารมณ์ไปนะแล้วก็เกิดปฏิกริยาขึ้นมา เกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดลบโดดหลงก็รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงลบโดดหลงก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงสุดท้ายมันจะเห็นว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงเราต้องการแค่นี้เองไม่ได้ต้องการดีนะไม่ให้ต้องการดีถ้าอยากเป็นแค่คนดีนะก็เข้าฌานจิตทรงสมาธิอยู่ก็เป็นคนดีแล้ว ไม่ทำผิดศีลผิดธรอะไรตายไปเขาไปอยู่พรหมโลกได้ถ้าเข้าฌานไม่ทันเขาไปเป็นเทวดาพวกที่ไดอารูปเข้าฌานไม่ทันตอนตายนะั้นก็ไปอยู่ปรินิ ม, มิตวั ส, สวัสตตนะีเทวดาชั้นที่หนะถ้าพวกได้รูปฌานะเข้ารูปฌานไม่ได้ตายไปก็ไปอยู่นิมมานอะไรนิมมานารอรดนะีก็ติดนิสัยเดิมไป เทวดาชั้นนิมมานารดีนะช้ชอบรูปเนี่ยชอบรูปก็จะเนรมิตรรูปเศกอะไรต่ออะไรตลอดเวลานะสร้างรูปตลอดเวลาสร้างแล้วจะไปให้ใครเขาจะไปให้คนต่ํากว่าก็เสียเกรดใช่ไหมไม่เท่จะต้องขนไปให้เทวดาชั้นปรินิมมิตวัตสตรีปรินิมิต ว, สวัตตวสวตรีเนี่ยพวกนี้เก่งอะรูปไม่ชอบเนรมิตอะไรหรอกชอบว่างว่าง้พวกว่างว่างระวั ง, าวางให้ดีนะ งั้นเวลาที่ต้องการอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกนิมมานอรดีจะรีบทำให้เลยเพราะชอบเนลมิตเนี่ยเป็นนิสัยนะจะติดไปพวกปรณิมิตวัตสตีเนี่ยมีสองค่ายนะให้ขาวกับค่ายดําเป็นเทพที่ไม่ได้ติดเพชรติดพลอยอะไรกับใครเขาหรอกเพราะไม่เอารูปไม่สนใจรูปเป็นเทพที่ชอบภาวนามีสองกลุ่ม ฝ่ายเทพกับฝ่ายมารพวกมารเป็นเทพนะก็เป็นเทพชั้นสูงสุดด้วยขนานกับฝ่ายเทพมีสององนะประิปรนิมิตรวัสตีเนะี่ยมีหัวหน้าสองค่ายเขาไม่ตีกันต่างคนต่างอุเบกขาแต่ว่าพวกมารเนี่ยชอบไปแกล้งคนอื่นอารวานได้ไปถึงพรหมโลกเลยนะพวกพรหมก็กลัวพวกมารเนี่ยชอบฟังเทศ ดูสี่ประเทศเรื่องมาเนี่ยตาไป๋วเลยสงบจิตสงบเป็นเอกกตา <laughs> <laughs> พวกมนุษย์เนี่ยเวลาฟังธรรมนะก็ยกก็ยิกกย็ยกก็ยิกกย๊กตลอดเวลานะพระธาตุขันเราเป็นอย่างนั้นพวกเทพเนี่ยเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยอย่างมานั่งฟังเนี่ยนะเวลาฟังจบกราบเนะี่ยไม่หันหลังเดินออกไปนะพวกเทพจะค่อยๆถอยหลังออกไปนะมารยาท ด, ดีไม่หันหลังให้พระเลย งามมากแล้วอยู่ในสาานี้ไม่เหาะพลุทะลุหลังคาขึ้นไปนะถือว่าไม่มีมารยาทท่ถ้ยๆอยถ อ, อ, อ, อยออกไปข้างนอกพวกหมา น, นี่ยิ่งเนียบก น, นั่นอีนิ่งเลยเวลาฟังธรรมนะสนิทเลยเรียบร้อยสุดขีดนี่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนงั <c oughs> นะเราจะวัดใจนะวัดว่ามีกิเลสหรือเปล่าเนี่ยวัดตอนที่ใจเป็นธรรมดา ใจที่ธรรมดาก็คือใจที่รู้อารมณ์พอรู้อารมณ์แล้วเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติธรรมดาต่ออารมณนะ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วโลบกรดลงแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวทางใจนี่เราไม่ห้ามทางใจนะั้นจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็แค่รู้แค่เห็นแต่พอกิเลสมันมาครอบงาใจได้ น, นะมันจะล้นออกมาทางกายทางวาจาอันนี้ต้องไม่ยอมไม่ยอมให้กิเลส องการพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้ถ้าบงการออกมานะมันจะผิดศีลศีลนะเนี่ยเป็นเครื่องกั้นศะีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทําผิดทางกายทางวาจาส่วนทางใจนี่นะอยู่ดีๆบางทีบรรดาพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่ด่าหลวงพ่อเลยนะบางทีมันละเมิดพระพุทธเจ้าก็มีนะมานมันแย่กระตุน้นกระตุน้นพุ่งออกมาในใจไม่ต้องตกใจจิตมันพูดได้เอง มันคิดของมันเองมันไม่ใช่เรามันทำงานเองไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นกรรมเล็กน้อยเพราะเราไม่ได้เจตนากรรมที่ไม่มีเจตนาเนี่ยเาเรียกกระตั้ตากรรมเป็นกรรมเล็กน้อยที่สุดละถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นที่แรงกว่าให้ผลตัวนี้ถึงจะให้ผลโอกาสที่กระตั้ตากรรมจะให้ผลเนี่ยยากมีน้อยเพราะงั้นถ้าใจอยู่ๆใจมันโลงด่าพระด่าครูบาอาจารย์อย่าตกใจ ให้รู้ทันไปเลยเนี่ยจิตในฝ่ายของมารมันทำงานขึ้นมาเราก็แค่รู้แค่เห็นตรงที่เรารู้เราเห็นเนี่ยจิตเป็นกุศลเป็นกุศลใหญ่นะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเป็นกุศลอย่างใหญ่ส่วนนันนั้นเป็นกรรมเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ต้องตกใจคล้ายๆได้บุญแค่นี้มีบาปแค่นี้ตามกัรไม่ทันหรอกบุญกับกบาปไม่ล้างกันนะอย่างเวลากรรมเก่าให้ผลมาเราชอบแก้กรรม แก้กรรมทำไม่ได้กรรมทำไปแล้วต้องรับวิบากแต่มันเปลี่ยนวิบากได้ด้วยการทำความดีให้ยิ่งขึ้นเหมือนเรามีน้ำนะอยู่ตุ่มหนึ่งแต่ว่าน้ำไม่เต็มตุ่มแล้วในตุ่มนี้มีน้ำอยู่ขันเดียวคนเอาเกลือใส่เข้าไปแล้วนะตั้งกระป๋องหนึ่งโอ้ยน้ำนี่เค็มจัดเลยคล้ายๆเนี่ยมีบาปหนาเค็มปีเลย วิธีล้างบาปไม่ใช่ทำให้เกลือหายไปจะเติมน้ำลงไปในตุ่มเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะมันเจือจางเพราะความเค็มมันเจือจางลงอากูสนี้เหมือนกันเวลาให้ผลเราจะไปแก้ผลมันไม่ได้แต่เจือจางมันได้ด้วยการทำความดีนะ น, นี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะ น, นี่พระนาคเษนสอนพญามิลินเรื่องแก้กรรมนะ แก้กรรมไม่ใช่อยู่ๆจะไปแก้กรรมไปบวงสรวงอะไรแก้กรรมได้ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าทําความดีให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปความดีมันเนื้อมีพลังเหนือกว่านะคล้ายๆเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของความชั่วมันจะลดลงลดลงนะไม่ใช่มันหายไปแต่มันน้อยลงเตือจางลงนะเนี่ยเป็นชาวพุทธนะ<ม>ต้องรู้หลักรู้เกณฑ์มั่วซั่วทุกวนันนี้โอ้แก้กวงแก้กรรมอะไรกันมั่วกันไปหมดนะ อะไรต่ออะไรที่เป็นเดรัจฉีเนี่นะมันเยอะมากเลยอาไปกินข้าวไป